เลตัทุกกะสิบเก้าถ uh, ึงห้าสิบสามสัญโฉชนะทุกกะเป็นต้นสี่สิบสามละถึงอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นสังโยชน์อาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นคันทะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นโอคะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นโยคะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นนิวรนสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นปรามา อาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นปรามาสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุตุปัจจัยมีกลาวาระและถึงอวิคตะปัจจใจมีกลาวาระพึงขยายโคอจกะให้พิจารณาทุกปัจจัยเหตุทุกกะและปรามาสสะโคอจกะจบหนึ่งเหตุทุกกะห้าสิบสี่สารมณะทุกกะสี่สิบสี่ สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งรับรู้อารมณ์ได้อาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งรับรู้อารมณ์ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งรับรู้อารมณ์ได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งรับรู้อารมณ์ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งรับรู้อารมณ์ได้อาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุ และที่ไม่เป็นเหตุซึ่งรับรู้อารมณ์ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระย่อเหตุปัจจัยมีเก้าวาร ะ, จจาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระทุกปัจจัยเพิ่มขยายให้พิสดารสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งรับรู้อารมณ์ไม่ได้อาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งรับรู้อารมณ์ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระ หนึ่งเหตุทุกกะห้าสิบห้าจิตตทุกะสี่สิบห้าสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นจิตอาสัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยเนื้อก้าวาระและถึงอวิคตปาปัจจัยเนืก้าวาระทุกปัจจัยเพิ่ขยายให้พิสดารหนึ่งเหตุทุกกะห้าสิบหกเจตสิกะทุกกะ สีสิภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นเจตสิกอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นเจตสิกเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยเมียกลาวาระละถึงอวิคตะปัจจัยเมียกลาวาระทุกปัจจัยพึงขยาให้พิจารณาสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นเจตสิกอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นเจตสิกเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย ทุกปัจจัยมีปัจจใจละหนึ่งวาระหนึ่งเหตุทุกกะห้าสิบเจ็ดจิตตสัมปยุตตะทุกกะสี่สิบเจ็ดสภาวะธรรมที่เป็นเหตุซึ่งสัมปยุตได้จิตอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นเหตุซึ่งสัมปยุตได้จิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจใจมีกล่าววาระละถึงอวิคตะปัจใจมีกล่าวาระทุกปัจจัยพึงขยายให้พิจารณ์ สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งวิปยุจจากจิตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งวิปยุจจากจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยทุกปัจจั ย, จจยมีปัจจใจละหนึ่งวาระหนึ่งเหตุทุกกะห้าสิบแปดจิตแต่สังสัทธะทุกกะ 48. สี่สิบแปดสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งรักคนกับจิตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งรักคนกับจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยยอ่อ เหตุปัจจ th he e, ัยเมฆ้าวาระละถึงอวิคตะปัจจัยเมฆ้าวาระทุกปัจจัยพึงขยายให้พิดารสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่รักควรกับจิตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่รักควรกับจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระหนึ่งเหตุตุทุกกะห้าสิเกจิตตสมุทฐานทุกกะสี่สิบเก้า สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีจิตเป็นสมุทฐานอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีจิตเป็นสมุทฐานเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุถูปัจจัยเนื้อกราวระและถึงอวิคตะปัจจัยเนื้อการะทุกปัจจัยพึงขยาให้พิจารณาสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่มีจิตเป็นสมุทฐานอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่มีจิตเป็นสมุทฐานเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย ทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระหนึ่งเหตุทุกกะหกสิบจิตตะสหภูทุ ก, กะห้าสิบสภาวะธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเกิดพร้อมกับจิตอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเกิดพร้อมกับจิต เกิดขึ้นเพราะเหตุปจัจจัยทุกปัจจัยมีปัจจัยละ๙วาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เกิดพร้อมกับจิตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เกิดพร้อมกับจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปจัจจัยทุกปัจจัยมีปัจจัยละ๑วาระทุกปัจจัยพึงกยะยให้พิดารณา๑เหตุทุกกะ๖๑จิตตานุปริวัติทุกกะ๕๑ สภาวธรรมที come, la, an, ja ่เป <Mount> ็นเหตุซึ่งเป็นไปตามจิตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นไปตามจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยทุกปัจจัยมีปัจใจและเก้าวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นไปตามจิตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นไปตามจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุุปัจจัยทุกปัจจัยมีปัจใจและหนึ่งวาระทุกปัจใจเพึงขยายให้พิดารณหนึ่งเหตุทุกกะ หกสิบสจิตสังสัตถสมุทฐานะทุกกะห้าสองสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งรคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งรคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานเกิดขึ้นเพราะเหตุุปัจจัยทุกปัจจัยมีปัจจัยและก้าววาระสภาวธรรมที่ม่เป็นเหตุซึ่งไม่รกรกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐาน อสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่รบกลกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานเกิดขึ้นเพราะเหตุุปัจจัยทุกปัจจัยมีปัจจใจละหนึ่งวาระทุกปัจจใจพึงขยายให้พิสดารหนึ่งเหตุทุกกะหกสจิตตสังสัทธะสมุทฐานสหภูทุ ก, กะ5้สสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งรบกวนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและเกิดพร้อมกับจิต อาศัยสภาวะธรรมที่เป็นเหตุซึ่งรักคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและเกิดพร้อมกับจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุถูกปัจจัยทุกปัจจัยมีปัจใจและเก้าวาระสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่รักคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและเกิดพร้อมกับจิตอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่รักคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและเกิดพร้อมกับจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุกปัจจัยทุกปัจจัยมีปัจใจและหนึ่งวาระ ทุกปัจจัยเพิ่งขยายให้พิสดารหนึ่งเหตุทุกกะหกสิบสี่จิตตสังสัทธสมุทฐานานุปร an ิวัติทุกกะห้าสิบสี่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ ai, ่งรคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและเป็นไปตามจิตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งรคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและเป็นไปตามจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยทุกปัจจัยมีปัจจัยและก้าววาระ สภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่รักควรกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและเป็นไปตามจิตอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่รักควรกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและเป็นไปตามจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระทุกปัจจัยเพิ่งขยายให้พิสดารหนึ่งเหตุทุกกะหกสิบห้าอาชาติกะทุกกะห้าสิบห้า สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นภายในตนอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นภายในตนเกิดขึ้นเพราะเหตุุปัจจัยทุกปัจจัยมีปัจจัยและหนึ่งวาระทุกปัจจัยพึงขยายให้พิดารสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นภายนอกตนอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นภายนอกตนเกิดขึ้นเพราะเหตุุปัจจัยทุกปัจจัยมีปัจจัยและเก้าวาระ ทุกปัจจัยเพื่อขยายให้พิดารณหนึ่งเหตุทุกกะหกสิหอุปาทาทุกกะห้าสิบหกสภาวะธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นอุปาทายรูปอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นอุปาทายรูปเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยอ่อเหตุปัจจัยเนื้อก้าวาระและถึงอวิคตะปัจจัยเนื้อก้าววาระยอ่อ ทุตุปใ จ, จเพืงขยายให้พิสดารหนึ่งเหตุทุกกะหกสิเจอุปาทินะทุกกะห้าสิบเจ็ดสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถืออาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีกลาววาระละถึงอวิคตตปัจจัยมีกลาวาระ ทุกปัจจัยพึงขยายให้พิดารสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือมาใช้สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีก้าวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีก้าววาระทุกปัจจัยพึงขยายให้พิจารณาเหตุทุกกะและมหันตระทุกกะ หนึ่งเหตุทุกกะ 68. อุปาทานะโคจกะห้าสบสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นอุปาทานอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นอุปาทานเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย เหตุ hey, ปัจจัยมีสองวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสองวาระยอ่อหนึ่งเหตุทุกขะเจ็สิบสี่กิเลสขโชชกะห้าสิบเก้าสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุ hey, ปัจจัยมีก้าวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมี9ก้าวาระยอ่อหนึ่ง เหตุทุกขะแปดสิบสองเปธีทุกขะหกสิบสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งต้องประหารด้วยโสดาปติมภ์อาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งต้องประหารด้วยโสดาปติมภ์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยทุกปัจจัยมีปัจจัยและก้าววาระไม่มีวิปากสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมภ์อาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมภ์ เกิดขึ้นเพราะเหตุุปัจจัยทุกปัจจัยมีปัจใจและก้าววาระไม่มีวิบากหกสิบเอ็ดสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งต้องประหารด้วยมรรคเบื้อบนสาอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสาเกิดขึ้นเพราะเหตุุปัจจัยทุกปัจจัยมีปัจใจและก้าวาระไม่มีวิบากสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุ ซึ่งไม่ต้องประหารด้วย ม, ยมรรคเบื้องบนสเกิดขึ้นเพราะเหตุุปัจจัยทุกปัจจัยมีปัจใจและก้าววาระไม่มีวิปาก 62. สภาวะธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีเหตุอันต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีเหตุอันต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักเกิดขึ้นเพราะเหตุุปปัจจัยทุกปัจจัยมีปัจใจและก้าวาระ สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีเหตุอันไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีเหตุอันไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยทุกปัจจัยมีปัจใจและก้าววาระหกสิบสาสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีเหตุอันต้องประหารด้วยมักเบื้งบนสามอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีเหตุอันต้องประหารด้วยมักเบืงบนสาเกิดขึ้นเพราะเหตุุปัจจัย ทุกปัจจัยมีปัจจัยและก้าววาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีเหตุอันไม่ต้องประหารด้วยมรรคบื้องบนสาอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีเหตุอันไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสาเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยทุกปัจจัยมีปัจจัยและก้าวาระห 4. สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีวิตกอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีวิตกเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย ทุกปัจจัยมีปัจจัยและกลาววาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่มีวิตกอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่มีวิตกเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยทุกปัจจัยมีปัจจัยและกลาววาระหกสสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีวิจารณ์อาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีวิจารณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยทุกปัจจัยมีปัจจัยและกลาวาระ สภาวะธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่มีวิจารอาศัยสภาวธรรมที่สสสสส unders, เป็นเหตุซึ่งไม่มีวิจาร์เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจัยทุกปัจจัยมีปัจจัยละก้าววาระหกสิบหกละถึงอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีปีติอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่มีปีติอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นเหตุซึ่งสะหรคตด้วยปีติอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่สะหรคตด้วยปีติ อาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งสหรคตด้วยสุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่สหรคตด้วยสุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งสหรครดดูเบกคาอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่สหรครดดูเบขาอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นกามาวจรอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นกามาวจรอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นรูปาวจร อาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นรูปาวจรอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นรูปาวจรอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นอรูปาวจรอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งนับเนื่องในวัตทุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่นับเนึ่องในวัตทุกอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นเหตุนําออกจากวัตทุกอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุ ซึ่งไม่เป็นเหตุนําออกจากวัตทุกข์อาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งให้ผลแน่นอนอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งให้ผลไม่แน่นอนอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีธรรมอื่นยิ่งกว่าอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ อาศัยสภาวะธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นเหตุให้สัตดร้องไห้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยอ่อเหตุปัจจัยเมียกลาววาระละถึงอวิคตะปัจจัยเมียกลาววาระยอ่อทุก ป, ปัจจัยพึงขยายให้พิจารณาเหตุทุกกะและปิติทุกกะจบ ทุกตะหนึ่งเหตุทุกกะหกสิบเจ็ดสภาวธรรมที่มีเหตุซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยทุกปัจจัยมีปัจจใจละหนึ่งวาระสภาวธรรมที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีเก้าวาระอารมณปัจใจมีสี่วาระ อธิปฏิปัจจัยมีห้าวาระละถึงอัญญมัญญปัจจัยมีหกวาระละถึงปุเรชาตปัจจัยมีสองวาระอารเสวณปัจจัยมีสองวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีเก้าวาร ะ, ะ, าะจจย่ะยอสาเหตุสัมปยุตตทุกกะหนึ่งเหตุทุกกะหกสิบแปดสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยเหตุซึ่งเป็นเหตุ อาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุต ย, ยเหตุซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยทุกปัจจัยมีปัจจัยและวหนึ่งวาระสภาวธรรมที่สัมปยุติเหตุแต่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุติเหตุแต่ไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพ ร, ะระาะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีเก้าวาระอรมณปัจจัยมีสี่วาระอธิปฏิปัจจัยมีห้าวาระละถึง อัญญามัญญปัจจัยมีหกวาระละถึงปุเรชาตปัจจัยมีสองวาระอาศิวัปัจจัยมีสองวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีเก้าวาระยอ่อ ah ส เ, เหตุตุเสเหตุตุกะทุกะหนึ่ง เ, เหตุทุกะหกสิบเก้าสภาวธรรมที่เป็นเหตุและมีเหตุซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุและมีเหตุซึ่งเป็นเหตุ เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจใจทุกปัจใจมีปัจใจละหนึ่งวาระสภาวธรรมที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุุปัจใจทุกปัจใจมีปัจใจละหนึ่งวาระห้าเหตุตุเหตุสัมปยุตตะทุกกะหนึ่งเหตุทุกกะเจดสิบสภาวธรรมที่เป็นเหตุและสัมปยุติเหตุ ซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุและสัมยุญติเหตุซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยทุกปัจจัยมีปัจจัยและหนึ่งวาระสภาวธรรมที่สัมยุญติ เ, เหตุแต่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่สัมยุญติเหตุแต่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยทุกปัจจัยมีปัจจัยและหนึ่นงวาระ 6. นณเหตุเสหตุกะทุกระ หนึ่งเหตุทุกกะเจ็สิบอดสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระ สภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุและที่ไม่เป็นเหตุไม่มีเหตุซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระย่อเหตุปัจจัยมีเก้าวาระอรมณะปัจจัยมีสี่วาระอธิปติปัจจัยมีห้าวาระและถึงอัญญมัญญะปัจจัยมีหกวาระละถึง ปุเรชาตปัจจัยมีสองวาระอาเสวนปัจจัยมีสองวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีเก้าวาระเจจุลันตระทุ ก, กะหนึ่งเฮตุทุกะหนึ่งถึงเจปฏิจจวาระเป็นต้นปัจจะจตุขะในเจ็ดสองสภาวธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่งซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่งซึ่งเป็นเหตุ เกิดขึ so ้นเพราะเหตุปัจจัยทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระสภาวธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่งซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่งซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระเจสสภาวธรรมที่ปัจจัยปรุงแต่งซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ปัจจัยปรุงแต่งซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย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 สภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้ซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้ซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุ er ตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอรามะณปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตปาปัจจัยมีสามวาระย่อเจ็สิบห้าสภาวะธรรมที่กระทบได้ซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวะธรรมที่กระทบไม่ได้ซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัย ทุกปัจจัยมีป <found cort> <ại> ัจจัยละหนึ่งวาระสภาวะธรรมที่กระทบได้ซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวะธรรมที่กระทบได้ซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุทุปัจจัยมีสามวาระสภาวะธรรมที่กระทบไม่ได้ซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวะธรรมที่กระทบไม่ได้ซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุุปัจจัยมีสามวาระย่อสภาวะธรรมที่กระทบได้ซึ่งไม่เป็นเหตุ อาศัยสภาวะธรรมที่กระทบได้และที่กระทบไม่ได้ซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดข <poker him S 1> ึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระย่อเหตุปัจจัยมีเก้าวาระอารมณะปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอัญญะมัญญะปัจจัยมีหกวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระเจ็สิบหกสภาวะธรรมที่ไม่เป็นรูปซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวะธรรมทีท่ไม่เป็นรูปซึ่งเป็นเหตุ เกิดข no ึ้นเพราะเหตุุปปัจจัยทุกปัจจัยมีปัจใจและหนึ่งวาระสภาวธรรมที่เป็นรูปซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นรูปซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยย่อเหตุุปปัจจัยมีเก้าวาระอารมณปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีห้าวาระละถึงอัญญมัญญะปัจจัยมีหกวาระละถึง ปเรชาตะปัจจัยมีหนึ่งวาระอาศิวนปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงอวิคตาปัจจัยมีเก้าวาระย่อเจสเจสภาวธรรมที่เป็นโลกิยะซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นโลกิยะซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นโลกกุตระซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นโลกกุตระซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย ทุกปัจจัยมีปัจจัยและสองวาระสภาวธรรมที ia, ่เป็นโลคิยะซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นโลคิยะซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นโลกุตระซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นโลกุตระซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นโลกิยะซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นโลคิยะ และที่เป็นโลกุตระซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย่ยอเหตุปัจจัยมีห้าวาระอารมณะปัจจัยมีสองวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีห้าวาระยอ่อเจ็ดสิบแปดละถึงอาศัยสภาวธรรมที่จิตบางดวงรู้ได้ซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่จิตบางดวงรู้ไม่ได้ซึ่งเป็นเหตุทุกปั จ, จัยมีปัจใจละเก้าวาระ อาศัยสภาวะธรรมที่จิตบางดวงรู้ได้ซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวะธรรมที่จิตบางดวงรู้ไม่ได้ซึ่งไม่เป็นเหตุทุกปัจจัยมีปัจจัยและก้าววาระสิบสี่อาจวะโคจกะทุกระ หนึ่งเหตุทุกูกะเจ็สิบเละถึงอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอาสวะซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอาสวะซึ่งเป็นเหตุย่อเหตุปัจจัย ay, มีสองวาระละถึงวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสองวาระยอ่ออาศัยสภาวธรรมที่เป็นอาสวะซึ่งไม่เป็นเหตุ อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอาจวะซึ่งไม่เป็นเหตยุยอ่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระละถึงวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะตปัจจัยมีห้าวาระยอ่อแปดสิทธะถึงอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของอาจวะซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาจวะซึ่งเป็นเหตุทุกปัจจัยมีปัจจัยละสองวาระ อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งไม่เป็นเหตุละถึงเหตุปัจจัยมีห้าวา र, ระอารมณปัจจัยมีสองวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีห้าวาระย่อแปสิบเอ็ดละถึงอาศัยสภาวธรรมที่สัมพยุ ด, ด้วยอาสวะซึ่งเป็นเหตุ อาศัยสภาวธรรมที่วิปยุจจากอาสวะซึ่งเป็นเหตุยอ่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอารมณปัจจัยมีสี่วาระอธิปติปัจจัยมีสองวาระละถึงวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีสี่วาระยอ่ออาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุจด้วยอาสวะซึ่งไม่เป็นเหตุ อาศัยสภาวธรรมที่วิปิยุจักอาจวะซึ่งไม่เป็นเหตุยอ่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระอรมณปัจจัยมีสองวาระละถึงวิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีห้าวาระ 82. แปดสิบสองละถึงอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอาจวะและเป็นอารมณ์ของอาจวะซึ่งเป็นเหตุ อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของอาจวะแต่ไม่เป็นอาจวะซึ่งเป็นเหตุทุกปัจจัยมีปัจจัยละสองวาระอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอาจวะและเป็นอารมณ์ของอาจวะซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของอาจวะแต่ไม่เป็นอาจวะซึ่งไม่เป็นเหตุย่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระละถึงวิปากาปจัยมีหนึ่งวาระละถึง อวิคตะปัใจจัยมีห้าวาระยอ่อแปสละถึงอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอาสวะและสัมปยุทธ์ด้วยอาสวะซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะซึ่งเป็นเหตุทุกปัจจัยมีปัจจัยละสองวาระไม่มีวิบากอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะ แต่ไม่เป็นอาสะวะซึ่งไม่เป็นเหตุทุกปัจจัยมีปัจจัยละห้าวาระไม่มีวิปากแปสิบสและถึงอาศัยสภาวธรรมที่วิปิยุจจากอาสวะแต enfin ่เป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่วิปิยุจจากอาสวะและไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งเป็นเหตุทุกปัจจัยมีปัจจัยละสองวาระอาศัยสภาวธรรมที่วิปยุจจากอาสวะ แต่เป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่วิปิยุจากอาสวะและไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งไม่เป็นเหตุยอ่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระอารมณปัจจัยมีสองวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีห้าวาระยอ่อยี่สิบสัญญโฉนะทุกกะเป็นต้นหนึ่งเหตุทุกกะ 85, แปดสิบห้าละถึง อาศัยสภาวธรรมที่เป็นสังโยชน์ซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นคันทะซึ่งเป็นเหตุและถึงเหตุปัจจัยมีสองวาระและถึงวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสองวาระย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระและถึงวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระ อาศัยสภาวธรรมที่เป็นโอคะซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นโยคะซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นนิวรณ์ซึ่งเป็นเหตุย่อเหตุปัจจัยมีสองวาระละถึงวิปากรปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสองวาระย่ออาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามาซึ่งเป็นเหตุ ทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระยอ่อห้าสิบห้ามหันตระทุกกะหนึ่งเหตุทุกกะแปดสิบหกและถึงอาศัยสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้ซึ่งเป็นเหตุทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระอาศัยสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้ซึ่งไม่เป็นเหตุยอ่อเหตุ kop. ปัจจัยมีเก้าวาระอารมณะปัจจัยมีสามวาระ ละถึงปุเรชาติปัจจัยมีหนึ่งวาระอาศัยวันปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระย่อแปเจดละถึงอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเจตซึ่งเป็นเหตุทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระยอ่ออาศัยสภาวธรรมที่เป็นเจตสิกซึ่งเป็นเหตุทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระยอ่อ อาศัยสภาวธรรมที่สัมพยุดุจจิตซึ่งเป็นเหตุทุกปัจจัยมีปัจจัยและหนึ่งวาระย่ออาศัยสภาวะธรรมที่ระคนกับจิตซึ่งเป็นเหตุทุกปัจจัยมีปัจจัยและหนึ่งวาระย่ออาศัยสภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุทฐานซึ่งเป็นเหตุทุกปัจจัยมีปัจจัยและหนึ่งวาระย่ออาศัยสภาวธรรมที่เกิดพร้อมกับจิตซึ่งเป็นเหตุ ทุกปัจจัยมีปัจจัยและหนึ่งวาระย่ออาศัยสภาวธรรมที่เป็นไปตามจิตซึ่งเป็นเหตุทุกปัจจัยมีปัจจัยและหนึ่งวาระย่ออาศัยสภาวธรรมที่ระคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานซึ่งเป็นเหตุทุกปัจจัยมีปัจจัยและหนึ่งวาระย่ออาศัยสภาวธรรมที่ระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและเกิดพร้อมกับจิตซึ่งเป็นเหตุ ทุกปัจจัยมีปัจจัยและหนึ่งวาระย่ออาศัยสภาวธรรมที่รักคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและเป็นไปตามจิตซึ่งเป็นเหตุทุกปัจจัยมีปัจจัยและหนึ่งวาระย่ออาศัยสภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนซึ่งเป็นเหตุทุกปัจจัยมีปัจจัยและหนึ่งวาระย่ออาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทยรูปซึ่งเป็นเหตุทุกปัจจัยมีปัจจัยและหนึ่งวาระ ย่อาอาศัย AH สภาวธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือซึ่งเป็นเหตุละถึงอาศัยสภาวธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือซึ่งเป็นเหตุย่อเหตุปัจจัยมีสองวาระละถึงอธิปฏิปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอาเสวณปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีสองวาระ ย่อหกสิบเกอุปาทานโคจกะทุกะหนึ่งเหตุทุกะ 88. แปดสิบแปดละถึงอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอุปาทานซึ่งเป็นเหตุละถึงเหตุปัจจัยมีสามวาระละถึงวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระยอ่อเจ็ดสิบห้ากิเลสโคจกกะทุกะ หนึ่งเหตุทุกขะ 89. แปดสิบเก้าละถึงอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นกิเลสซึ่งเป็นเหตุละถึงเหตุปัจจัยมีสองวาระละถึงวิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสองวาระย่อแปดสิบสามเปติทุกขะหนึ่งเหตุทุกขะเก้าสิบละถึง อาศัยสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปติมัคซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมัคซึ่งเป็นเหตุย่อเหตุปัจจัยมีสองวาระละถึงวิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสองวาระย่อเก้าสิบเอ็ดละถึงอาศัยสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมรรคบื้องบนสามซึ่งเป็นเหตุ อาศ no ัยสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามซึ่งเป็นเหตุย่อ 92. อาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุอันต้องประหารด้วยโสดาปฏิมร์ซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุอันไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมร์ซึ่งเป็นเหตุย่อ 93. อาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุอันต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามซึ่งเป็นเหตุ อาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุอันไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามซึ่งเป็นเหตุย่อเหตุปัจจัยมีสองวาระละถึงวิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสองวาระย่อเก้าสิบสี่อาศัยสภาวธรรมที่มีวิตกซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกซึ่งเป็นเหตุทุกปัจจัยมีปัจจัยละสองวาระ อาศัยสภาวธรรมที่มีวิจารณ์ซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีวิจารณ์ซึ่งเป็นเหตุทุกปัจจัยมีปัจจใจละสองวาระอาศัยสภาวธรรมที่มีปีติซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีปีติซึ่งเป็นเหตุย่ออาศัยสภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่สหรคตด้วยปีติซึ่งเป็นเหตุ ทุกปัจจัยมีปัจจัยและสองวาระอาศัยสภาวธรรมที a a ่สหรคตด้วยสุขซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่สหรคตด้วยสุขซึ่งเป็นเหตุทุกปัจจัยมีปัจจัยและสองวาระอาศัยสภาวธรรมที่สหรคตด้วยอุเบกขาซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่สหรคตด้วยอุเบกขาซึ่งเป็นเหตุทุกปัจจัยมีปัจจัยและสองวาระ อาศัยสภาวธรรมที่เป็นกลามวจรซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกลามวจรซึ่งเป็นเหตุทุกปัจจัยมีปัจจัยและสองวาระอาศัยสภาวธรรมที่เป็นรูปาวจรซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปาวจรซึ่งเป็นเหตุทุกปัจจัยมีปัจจัยและสองวาระอาศัยสภาวธรรมที่เป็นรูปาวจรซึ่งเป็นเหตุ อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปาวจรซึ่งเป็นเหตุทุกปัจจัยมีปัจจัยละสองวาระอาศัยสภาวธรรมที่นับเนื่องหรือวัตทุกขซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่นับเนื่องหรือวัตทุกขซึ่งเป็นเหตุทุกปัจจัยมีปัจจัยละสองวาระอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุนำออกจากวัตทุกข์ซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุนำออกจากวัตทุกข์ซึ่งเป็นเหตุ ละถึงเหตุปัจจัยมีสองวาระละถึงวิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสองวาระย่ออาศัยสภาวธรรมที่ให้ผลแน่นอนซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ให้ผลไม่แน่นอนซึ่งเป็นเหตุละถึงเหตุปัจจัยมีสองวาระละถึงวิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึง อวิคัตตปัจจัยมีสองวาระย่ออาศัยสภาวธรรมที่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าซึ่งเป็นเหตุทุกปัจจัยมีปัจจัยละสองวาระอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้สัตกร้องไห้ซึ่งเป็นเหตุและถึงสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตกร้องไห้ซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งเป็นเหตุ เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสองวาระละถึงวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสองวาระย่อสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัจร้องไห้ซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัจร้องไห้ซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมีห้าวาระ